มุลจิตตุกรรมยาตายานปฏิสังขายานสังขารุเปขายานและปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิในัมพีวิสุทธิ์ที่มากกล่าวถึงมุลจิตตุกรรมยาตายานว่า 1. เมื่อกุลบุตรนี้เบื่อหน่ายเอื่อมระอาไม่ยินดีอยู่ด้วยนิพพิทายานนี้จิตก็ไม่คล่อง ไม่เกาะไม่ติดอยู่ในสังขารซึ่งมีความแตกดับที่ดำเนินไปอยู่ในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณติติเจ็ดและพัตตาวเก้าทั้งหมดแม้อย่างหนึ่งเป็นจิตที่ปรารถนาจะพ้นสลัดออกไปจากสังขารทั้งปวงสองลำดับนั้น มุจิตตุกรรมยะตายานย่อมเกิดขึ้นแก่กุลบุตรผู้ปราศจากความอาลัยในสังขารทั้งปวงผู้ต้องการจะพ้นไปจากสังขารทั้งปวงอย่างนี้มุลจิตตุกรรมยะตายานคือญาณที่ต้องการพ้นไปจากสังขารที่ดำเนินไปในสถานที่เหล่านี้คือพบสามได้แก่กามภพรูปภพ อรูปภพกําเนิดสีได้แก่อันทชะสัตว์ที่เกิดในฟองได้แก่สัตว์ประเภทนกเป็นต้นชลาผู้ชะสัตว์ที่เกิดในมดลูกได้แก่มนุษย์เป็นต้นสังเสทชะสัตว์ที่เกิดในที่มียางเหนียวได้แก่นอนโอปปาเตกะ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นในทันทีได้แก่เทวดาเป็นต้นคติห้าได้แก่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาวิญญาณนิติเจ็ดได้แก่มนุษย์และเทวดาชั้นกามาวจรเป็นสัตว์จำพวกมีร่างกายต่างกันมีปฏิสนธิต่างกันจึงเรียกว่า นานตากายานานตสัญยีคือผู้ที่มีรูปร่างต่างกันและมีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันพรมชั้นปฐมยาณและสัตว์ในอบายภูมิเป็นสัตว์จำพวกมีร่างกายต่างกันแต่มีปฏิสนธิเหมือนกันจึงเรียกว่านานตกายเอกตสัญยีผู้มีรูปร่างต่างกัน แต่มีปฏิสนธิวิญญาณอย่างเดียวกันพรหมชันทุติยานมีร่างกายเหมือนกันแต่ปฏิสนธิต่างกันจึงเรียกว่าเอกคตานานัตตสัญยีผู้ที่มีรูปร่างเหมือนกันแต่มีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันพรหมชันตติยานและ เวหพลามีร่างกายและมีปฏิสนธิเหมือนกันจึงเรียกว่าเอกคตาก า, อกตากายะเอกัตตากายะเอกัตตสัญญีผู้ที่มีรูปร่างเหมือนกันและมีปฏิสนธิวิญญาณอย่างเดียวกันแม้พรหมชั้นสุทธาวาสก็นับเข้าในข้อนี้อากาสาญจายตนะพรหม ชือว่าอาการสาัญจายตนะสัญญีวิญญาณัญจายตนะพรหมชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญีอากินจัญญายตนะพรหมชื่อว่าอากินจัญญายตนะสัญญีสัตวะท้าวก้าคือวิญญาณติติเจตที่เพิ่มอสัญญ า, าสัตว์พรหม และเนวะสัญญานาสัญญายาตนะพรมเข้าไปเมื่อผู้ปฏิบัติรู้สึกเบื่อหน่ายต้องการพ้นไปจากภพสามก็จัดว่าวิปัสสนาญาณในระดับนี้สมบูรณ์แล้วเพราะกําเนิดสี่เป็นต้นเป็นเพียงคําไวยพจน์ของภพสามเท่านั้นบางท่านอาจอนุมานโดยพิจารณาถึงกาเนิดสี่และคติหเป็นต้นตามที่ตนได้ยินได้ฟังมาอีกด้วย ผู้ที่เห็นโทษในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเบื่อหน่ายมักต้องการไปให้พ้นจากสถานที่นั้นแม้ผู้เจริญวิปัสสนาก็เช่นกันเมื่อประจักษ์ว่ารูปนามน่ากลัวแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปนามย่อมต้องการละไปจากสังขารคืออารมณ์ที่ตนกำหนดรู้วิปัสสนาจิตและ สถานที่ได้แก่พบกําเนิดคติเป็นต้นความต้องการละให้พ้นจากสังขารดังกล่าวชื่อว่ามุลจิตุกรรมยะตายานในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมักรู้สึกต้องการจะพ้นไปจากอากับกิริยาทางกายอันได้แก่การยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู้และสภาวะทางจิตอันได้แก่ การเห็นได้ยินสัมผัสนึกคิดกำหนดรู้อีกทั้งยังต้องการพ้นไปจากภพคือความเป็นมนุษย์เทวดาพรหมบุรุษสตรีบางท่านอาจใกล้ครวนว่าถ้าไม่ต้องการกำหนดรู้ก็จะดีกว่านี้และอาจหยุดยั้งการปฏิบัติธรรมชั่วคราวผู้ต้องการจะปล่อยชื่อว่ามูลจิตุกรมยะ หมายถึงจิตหรือบุคคลความเป็นผู้ต้องการจะปล่อยชื่อว่ามุนจิตตุกรรมยตาความเป็นผู้ต้องการจะปล่อยนั่นแหละเป็นยานจึงได้ชื่อว่ามุนจิตุกรรมยตายานพึงกระทาสมาดว่าสภาพที่ต้องการจะปล่อยนั่นแหละชื่อว่ามุนจิตุกรรมยะ ความเป็นสภาพที่ต้องการจะปล่อยความเป็นผู้ต้องการจะปล่อยนั่นแหละเป็นญาณจึงได้ชื่อว่ามุลจิตตุกรัมรมยตาญาณในคำพีวิสุทธิมรัก์กล่าวถึงปฏิสังขายญาณว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้ปรารถนาจะพ้นออกไปจากภพกําเนิดคติวิญญาณถิติและสัตตาวาา ทุกแห่งดังกล่าวนั้นจึงยกสังขาร น, นั่นแหละเข้าสู่พระตรัยลักษ์แล้วกำหนดรู้ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณต่อไปอีกเพื่อพ้นไปจากสังขารทั้งปวงผู้ที่ปราศจากความยึดมั่นสังขารคือรูปนามว่าเที่ยงเป็นทุกข์เป็นตัวตนแล้วย่อมบรรลุความดับสังขารคือนิพพานได้ เมื่อไม่มีความกังวลหรือเป็นทุกข์เนื่องด้วยสังขารในขณะยังมีชีวิตอยู่ก็จัดว่าได้พ้นไปจากสังขารและเมื่อปรินิพพานแล้วจึงจะพ้นไปจากสังขารโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏในภพสามดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะพ้นไปจากสังขารจึงไม่มีวิธีอื่นนอกจาก ต้องตามกำหนดรู้สังขารให้เห็นประจักษ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการจะพ้นไปจากสังขารด้วยมุลจิตตุกรรมยตาญาณจึงต้องกลับมากำหนดรู้สังขารอีกการกำหนดดังกล่าวชื่อว่าปฏิสังขายานคือปัญญากำหนดรู้อีก เพื่อสละสังขารโดยยกเข้าสู่พระไตรลักษ์ด้วยการรู้เห็นลักษณะ40อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏชัดอันได้แก่อนิจจลักษณะ10ทุกขลักษณะ25และอนัตตลักษณะหกล่าวโดยย่อเป็นการเห็นประจักษ์พระไตรลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน ลักษณะ40อย่างข้างต้นแบ่งออกเป็นอ น, นิจจลักษณะ10ได้แก่ 1. ไม่เที่ยงคือรู้เห็นว่าเกิดขึ้นแล้วดับไป 2. แตกทำลายไปด้วยความแก่ความเจ็บและความตายคือรู้เห็นว่ารูปนามที่กำหนดรู้แตกทำลายไปทันทีในขณะนั้นเหมือนตะลิ่งสายพังทลายเมื่อถูกน้ำซัด เหมือนกระดาษที่ถูกฉีกกระจัดกระจายเหมือนกองไฟที่ดับลงทันทีเมื่อถูกน้ำราดใส่หรือเหมือนควันไฟที่หายไปทันทีเมื่อถูกลมพัดสาวันไหวเปลี่ยนแปลงด้วยความแก่ความเจ็บและความตายคือรู้เห็นว่ารูปนามไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงด้วยความเกิดดับอยู่เสมอ 4. สลายไปเร็ว คือรู้เห็นว่ารูปนามดับไปก่อนจะกําหนดรู้เสียอีก 5. ไม่ยั่งยืนคือรู้เห็นว่ารูปนามดับไปเสมอไม่ยั่งยืน 6. มีความแปรผันอยู่เป็นธรรมดาโดยไม่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมด้วยความแก่และความตายคือรู้เห็นว่ารูปนามมีสภาพไม่เหมือนเดิมที่เริ่มเกิดขึ้นโดยแ ป, ปรปลุนดับไป 7. ไม่มีแก่นสารคือรู้เห็นว่ารูปนามไม่มีแก่นสารที่น้ายึดมั่นว่าเป็นเราของเรา 8. ปราศจากความเจริญคือในเวลาก่อนการปฏิบัติธรรมจะยังไม่อาจแยกสันตติบัญญัติคือบัญญัติโดยอาศัยความต่อเนื่องและคณะบัญญัติบัญญัติอาศัยกลุ่ม นอกจากรูปนามได้บุคคลย่อมเข้าใจว่าร่างกายและจิตใจของตนดำเนินมาตั้งแต่ยาววัยค่อยๆเติบโตจนถึงปัจจุบันเหมือนต้นไม้ที่เกิดจากเมล็ดพืชแล้วเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปแต่เมื่อเขาสามารถแยกรูปนามออกจากบัญญัติได้ก็จะเข้าใจว่าสภาวธรรมทางกาย และทางใจที่เกิดขึ้นก่อนไม่เหมือนกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นต่อมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ทันได้ตั้งอยู่นานก็ดับไปแม้สภาวะธรรมที่เกิดต่อมาก็ไม่ได้เกิดจากสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก่อนไม่มีรูปนามใดๆที่สืบต่อจากรูปนามก่อนเลย 9. ถูกปัจจัยปรุงแต่งด้วยอำนาจกรรมจิตอุตุอาหาร คือรู้เห็นรูปนามเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยบริบูรณ์ 10. มีความแตกดับเป็นธรรมดาคือรู้เห็นว่ารูปนามดับไปเสมอในคำพีปฏิสัมพิามักกล่าวถึงอนิจจลักษณะ1ิบข้างต้นไว้ตามลำดับในคำพีอัตถคถายัางแสดงอนิจจลักษณะไว้อีก3มประการซึ่งนับเข้าในลักษณะข้อแรก ในลักษณะ10บข้อคือ 1. ไม่ล่วงพ้นที่สุดคือไม่จีรังยั่งยืน 2. ดำรงอยู่ชั่วขณะ 3. อยู่ในกรอบของความเกิดดับคืออยู่ระหว่างความเกิดขึ้นและดับไปเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีอยู่ก่อนเกิดขึ้นหรือดับไป ทุกขลักษณะ25ได้แก่ 1. เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขถาวร 2. เป็นโรคที่เสียดแทงอยู่เสมอ 3. เป็นต่อมฝีเพราะมีความเจ็บปวดคือความทนได้ยากความไม่เที่ยงและความแปรปรวนหมายความว่ารูปนามที่กำหนดรู้อยู่ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะ แล้วดับไปเหมือนฝีที่เกิดบวมขึ้นกระดนหนองข้างในและแตกออกหรือมีอาการเป็นฝีเพราะหลังน้ำหนองคือกิเลส 4. เป็นลูกสอนเสียบเพราะทิ่มแทงจนทนไม่ได้บีบคั้นอยู่ภายในร่างกายและใจและถอนออกได้ยาก 5. เป็นความชั่วร้ายเหมือนบาปเพราะ พระอริยตําหนิก่อให้เกิดโทษและเป็นที่ตั้งของบาปต่างๆหกเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายเ็ 7. เป็นความป่วยไข้เพราะบีบคั้นไม่ให้เป็นอิสระตามต้องการและเป็นเหตุให้ใกล้ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆแปดเป็นความหายนะเพราะก่อให้เกิดความหายนะแห่งชาติเป็นต้น 9. ก้เป็นอุปทวะ เพราะก่อให้เกิดโทษอันใหญ่หลวงโดยพลันเหมือนการเบียดเบียนของพระราชาเป็นต้นสิบเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะเหมือนภยัยภายในอันก่อให้เกิดภัยต่างๆมีสภาพตรงกันข้ามกับพระนิพพานอันปลอดจากภัยทั้งปวงสิบเอ็ดเป็นอุปสรรคคือสิ่งขัดขวางภายในมีความหายนะของญาติเป็นต้น และสิ่งขัดขวางภายนอกมีโรคเป็นต้น 12. ไม่เป็นที่ต้านทานคือไม่อาจใช้ต้านทานอุปสรรคอันตรายได้ 13. ไม่เป็นที่หลบลี้คือไม่อาจใช้หลบหนีไปจากทุกภัยได้ 14. ไม่เป็นที่พึ่งคือไม่อาจใช้พึ่งพิงให้พ้นไปจากภัยได้กราวคือแม้จะเป็นรูปนามที่ดีเลิศเพียงใด ก็ไม่อาจดับทุกข์ภัยได้สังขารคือรูปนามทั้งหมดจึงไม่เป็นที่ต้านทานไม่เป็นที่หลบลี้และไม่เป็นที่พึ่ง15เป็นโทษคือคล่่มคล้าไม่น่ายินดีเพราะไม่เที่ยงแ ป, ปรปลวนและเป็นทุกข์อยู่เสมอ 16. เป็นเพชฌฆาตเพราะลาวสัตตาอยู่เสมอเมื่อรูปนามดับไปทุกๆุกขณะ 17. เเป็นอารมณ์ของอาสวะ สิบแปดเป็นเหยื่อลอกของมารคือเป็นเหมือนเหยื่อลอกของกิเลสสิบเก้ามีความเกิดเป็นธรรมดายีสมีความแก่เป็นธรรมดา21มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา22มีความโศกเป็นธรรมดา23มมีความคล่ําครวญเป็นธรรมดา24 มีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา25มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาคือรู้เห็นว่ารูปนามเป็นอารมณ์ของกิเลสอันเศร้าหมองหรือเป็นที่แปดเปื้อนของกิเลสในคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวถึงทุกขลักษณะ25ข้างต้นไว้ตามลำดับในคำพีอัตถกถายัางแสดงทุกขลักษณะไว้3ประการ ซึ่งนับเข้าในลักษณะข้อแรกคือหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกความเกิดดับเบียดเบียนอยู่เสมอ 2. งเป็นสิ่งที่ทนได้ยากสามเป็นที่ตั้งของทุกในขณะที่บรรลุสัมมาสัญญาณและปฏิสังขารยานอย่างอ่อนผู้ปฏิบัติธรรมมักเผชิญกับทุกที่ชัดเจนโดยมีลักษณะที่ทนได้ยากเป็นที่ตั้งของทุก เป็นโรคที่เสียดแทงอยู่เสมอเป็นต่อมฝีเป็นลูกสอนเสียบเป็นความชั่วร้ายเป็นรากเงาของความชั่วร้ายเป็นความป่วยไข้เป็นต้นดังนั้นในคำภีวิสุทธิมักจึงกล่าวถึงลักษณะเหล่านี้ไว้ทั้งในสมัสนาญาณและปฏิสังขญาณญาณทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันคือผู้ปฏิบัติธรรม ไม่อาจากำหนดรู้ทุกให้ดับลงอย่างรวดเร็วในสัมมาสนาญาณแต่ในปฏิสังขญาณาจะสามารถกำหนดรู้ให้ดับลงได้ทันทีอนัตตลักษณะ 5. ได้แก่หนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน คือเป็นเพียงสภาวธรรมที่ดําเนินไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนที่เป็นใหญ่ซึ่งดํารงอยู่เสมอและทําอกกับกิริยาเดินเป็นต้นหรือเป็นผู้เสวยผลกรรมควบคุมร่างกายหรืออยู่ในอํานาจของตน 2. เป็นของผู้อื่นเพราะไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการแม้ต้องการควบคุมให้หยุดแก่หรือไม่ตายก็ทําไม่ได้ 3. เป็นสิ่งเปล่าเพราะไม่คงที่ไม่มีความสุขท้าวรไม่สวยงามและไม่ใช่ตัวตน 4. เป็นสิ่งว่างคือเป็นสภาวะธรรมที่ว่างเปล่าจากตัวตนเราของเรา 5. เป็นของศูนย์คือเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่อัตตาหรือวิญญาณในแบบที่เข้าใจผิดกันว่าเป็นกายทิพย์อยู่ในร่างกาย ในคำพีปฏิสัมพิทามักกล่าวถึงอนัตตลักษณะห้าข้างต้นไว้ตามลำดับและในคำพีอัธกถายังแสดงอนัตตลักษณะไว้อีก3ประการซึ่งนับเข้าในลักษณะข้อแรกคือ 1. ไม่มีเจ้าของคือเป็นสภาวัธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดหรือสิ่งใด 2. ไม่มีผู้เป็นใหญ่ คือเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีใครบังคับบัญชาสามไม่เป็นไปตามต้องการคือเป็นสภาวะธรรมที่แม้จะอยากให้คงอยู่ตลอดไปก็ไม่เป็นไปตามที่บุคคลต้องการอันนีจะลักษณะเป็นต้นทั้ง40สิบนี้โบราณจาร์ชาวพมา่าเรียกว่าโตสี่สิเพราะตรัสไว้ด้วยบทที่ลงโตปัจจัยว่า อนิจจโตทุกขโตเป็นต้นและยังเรียกวิปัสสนา40ที่เห็นประจากรูปนามด้วยลักษณะเหล่านั้นผู้ที่ศึกษาหลักธรรมไม่มากอาจรู้เห็นลักษณะนั้นเพียงเล็กน้อยแต่ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาก่อนก็จะมีปัญญามากอาจรู้เห็นได้มากอันหนึ่งลักษณะข้างต้นมักปรากฏชัดในวิปัสสนาของมรรคชั้นสูง แต่ในวิปัสนาของมรรคแรกก็เกิดขึ้นได้บ้างกล่าวคือบุคคลที่รู้เห็นอนิจจลักษณะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวุตถนาคามินีวิปัสนาแล้วมรรคบรรลุมรรคยานต่อจากนั้นการได้รู้เห็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจึงนับว่าบริบูแล้วเพราะทาให้บรรลุมรรคยานได้ดังข้อความในคำภีปฏิสัมพิามรรคว่า หผู้รู้เห็นขันห้าว่าไม่เทียงย่อมบรรลุวิปัสนาญาณที่คล้อยตามัคคยานในขั้นต่ำจากโสดาปติมักส 2. ผู้รู้เห็นว่าความดับของขันห้าเป็นนิพพานอันเทียงย่อมอยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามคือโสดาปติมักผู้เจริญวิปัสนาบางท่านบรรลุปฏิสังขายาแล้ว มีความแก่กล้าทันทีหากในบางท่านอาจต้องใช้เวลาวันหนึ่งบ้างคืนหนึ่งบ้างสองสามวันบ้างเมื่อยานนี้ยังไม่แก่กล้าแม้จะกำหนดรู้ได้ดีก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ดีเพราะพบว่ารูปนามไม่น่ายินดีและยังไม่อาจกำหนดได้อย่างสม่าเสมอเหมือนในสังขารุปเปกขายานต่อเมื่อยานนี้แก่กล้าแล้ว จึงรู้สึกว่ากําหนดได้ดีกว่าเดิมลักษณะเช่นนี้คล้ายกับอุทพยญาณและพังคยานกล่าวคือในอุทพยญาณระดับอ่อนย่อมรับคนด้วยอุปกิเลสส่วนอุทัพยญาณที่แก่กล้าย่อมไม่รับคนด้วยอุปกิเลสในทํานองเดียวกันพังคยานระดับอ่อนไม่อาจรู้เห็นความดับได้ชัดเจนส่วนพังคยานระดับแก่กล้า ย่อมรู้เห็นความดับได้ชัดเจนเมื่อปฏิสังขารยานแก่กล้าแล้วผู้ปฏิบัติธรรมย่อมบรรลุวิปัสนาญาณที่11ชื่อว่าสังขารุเปกขาญาณคือปัญญาวางเฉยในสังขารหมายความว่าเขาไม่ต้องจดจอ่อให้รู้เห็นความดับหรือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนาม แต่สามารถกําหนดรู้ได้เองตามธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีตัวตนผู้กําหนดรู้และสามารถรู้เห็นความดับคือความไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนในทุกขณะดังข้อความกล่าวว่าสังขาร น, นั่นแหละเป็นประจักษ์สังขาร ผู้ที่บรรลุสังขารูเปกขายาแล้วย่อมไม่รู้เห็นความกลัวโทษความเบื่อหน่ายความต้องการจะพ้นออกไปหรือความรู้สึกว่าไม่น่ายินดีเหมือนวิปัสสนาญาณก่อนแต่จะพบว่าจิตของตนผ่องใสหมดจดและได้รับสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและปราศจากความติดใจในสุขเหมือนในขณะเริ่มเกิดอุทพยายาน มีเพียงสติที่กำหนดรู้อันสงบประณีตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องจดจ่อมากนักก็สามารถจเจริญสติรู้เท่าทันได้ไม่ขาดช่วงดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนบุรุษผู้ยาขาดภรรยาแล้วรู้สึกเฉยเฉยเมื่อได้พบเห็น เป็นผู้ต้องการจะพ้นไปจากสังขารจรึงกำหนดรู้สังขารด้วยปฏิสังขารุปัสสนาญาณไม่เห็นสิ่งที่ควรถือเอาว่าเป็นเราของเราละความกลัวและความพอใจได้แล้วเป็นผู้วางเฉยมีใจเป็นกลางในสังขารทั้งปวง 2. เมื่อเขารู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมถอยกลับหวนกลับวบกกลับ ไม่แพร่กระจายในภพสกํกำเนิด4สติหวิญญาณถิติเจสัตวาด9วางเฉยอยู่หรือถอยกลับมาตั้งมั่นอยู่ 3. โดยประการนี้วิปัสสนาญาณชื่อว่าสังขารุปเปกขายานได้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากนี้ในคำพีวิสุทธิมัก กล่าวถึงความปรากฏแห่งสังขารุปเปกขา ย, ายานด้วยการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสองอย่างลักษณะสี่อย่างเป็นต้นอีกมีลายละเอียดต่อไปนี้การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยองสองคร้อยตามสูตรในมัชิมะนิกายว่าดูกระภิกษุท์ทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยสาวกอยู่ในป่า ก, ก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมรู้เห็นดังนี้ว่ารูปนามนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตนหรือความเป็นของตนคำว่าอาเตนะแปลว่าความเป็นตนอตตะนิเยนะแปลว่าความเป็นของตนตามหลักภาษาให้ลงตังตะปัใจจัยในภาวะตัดทิตตะแล้วลบด้วยสูตร ในโมคคลานะวายกรณ์ปริเชตที่สี่สูตรที่ร้3วย่าบโลโปลบตัดที่ตับปัจจัยดังคำว่ารัตนังเป็นรัตนะมาจากรัตตะดังข้อความในโมคคลานะวายกรณ์ว่าพุทธทรัตนังปฏีตังจากขุงสุญญงอัตเตนะวา อตตนิเยนวาติภาวะปัจจยะยโลโปโลบภาวะปัจใจในอุทาหนว่าพุทธะรัตนังปณีตังคือความเป็นรัตนะอันปราณีตในพระพุทธเจ้าจากขุงสุญยังอตเตนะวาอตตะนิเยนาวาคือจากสุว่างเปล่าจากความเป็นตนหรือความเป็นของตน คำอธิบายข้างต้นกล่าวตามคำพีอัตกถาของขุทกกะปาฐะว่าหนึ่งประโยคมีข้อความอย่างนี้ว่าจากขุโขอนันทะสุญญยังอเตนะวาอัตตนิเยนะวาคือดูกระออนอนจักสุว่างเปล่าจากความเป็นตนหรือความเป็นของตนเป็นต้นหมายความว่าว่างเปล่า จากความเป็นตนหรือความเป็นของตน2มิะน้นแล้วไม่อาจคัดค้านว่าจักรสุเป็นของตนหรือเป็นของตนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นในขณะกำหนดรู้หรืออนุมานด้วยการพิจารนาว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตนคือความเป็นไปตามต้องการหรือว่างเปล่าจากความเป็นของตน คือเป็นเพียงสภาวธรรมที่ไม่เนื่องด้วยตนการรู้เห็นว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นของตนจะปรากฏได้ต่อเมื่อเข้าใจว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตนและเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจว่ารูปนามว่างเปล่าจากความเป็นตนก็ไม่สำคัญว่ารูปนามเป็นของตนดังนั้นผู้ที่เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่มีของเรา จึงเป็นการกำหนดรู้รูปนามด้วยวิธีทวิโกโติกะคือมีลักษณะสองอย่างการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสี่อย่างคล้อยตามพระสูตรในมัชิมนิกายว่าดูกระพิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกอริยาสาวกย่อมรู้เห็นดังนี้ว่าหนึ่งเราไม่มีอยู่ณนะที่ไหนๆนสอง เราไม่มีอยู่ในความกังวลของใครๆ 3. บุคคลอื่นไม่มีอยู่หน้าที่ไหนๆ 4. บุคคลอื่นไม่อยู่ในความกังวลของเราข้อความข้างต้นมีคําอธิบายตามลําดับดังนี้ 1. เราไม่มีอยู่หน้าที่ไหนๆคือผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่เห็นตนในที่ไหนๆกล่าวคือ ผู้ที่รู้เห็นความดับของรูปนามในปัจจุบันขณะแล้วย่อมไม่พบอัตตาที่เป็นไปในอำนาจของตนได้จึงเข้าใจว่าอัตตาที่สำคัญที่ว่าเรานั้นไม่มีอยู่ไม่ว่าในที่แห่งใดคือภายในหรือภายนอกร่างกายในรูปหรือนามในอากัปกิริยาทางกายเช่นการเดินยืนนั่งนอนเหยียดคูหรือในสภาวธรรมทางใจ เช่นการเห็นได้ยินและไม่มีอัตตาในเราในการใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน 2. เราไม่อยู่ในความกังวลของใครใคคือเขาย่อมไม่เห็นอัตตาของตนที่ควรอยู่ในกังวลของใครกล่าวคือผู้ที่รู้เห็นความดับของรูปนามโดยประจักษ์หรือโดยอนุมาน รู้หลังจากรู้เห็นโดยประจักษ์แล้วย่อมเข้าใจได้ว่ามีเพียงสภาวธรรมที่ดับไปอย่างนี้ไม่มีตัวตนบุคคลเราของเราต่างจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจดังนี้จึงสำคัญว่าญาติพี่น้องห่วงใยกังวลเราในฐานะที่เป็นบิดาบุตรหรือพี่น้องอันที่จริงไม่มีอัตตาตัวตนจริงที่บุคคลเหล่านั้นห่วงใยกังวล กล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งที่คิดว่าตัวเรานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเลย 3. บุคคลอื่นไม่มีอยู่หน้าที่ไหนไหนคือเขาย่อมไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นกล่าวคือในขณะที่เขาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงของบุคคลอื่นแล้วกําหนดรู้หรืออนุมานรู้ตามการกําหนดรู้นั้นเข้าใจได้ว่าอัตตาที่สําคัญว่าเป็นบุคคลอื่น ไม่มีในที่แห่งไหนไม่ว่าภายในหรือภายนอกร่างกายรูปหรือนามไม่มีในรูปที่เห็นหรือในเสียงที่ได้ยินและไม่มีในอัตตาของบุคคลอื่นในการใดที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบัน 5. บุคคลอื่นไม่อยู่ในความกังวลของเรา คือเขาย่อมเห็นอัตราของผู้อื่นที่ควรอยู่ในความกังวลของตนกล่าวคือเขาย่อมเข้าใจว่ามีเพียงสภาวัธรรมที่ดับไปอย่างนี้ไม่มีอัตราตัวตนที่บุคคลอื่นที่เราควรห่วงใยกังวลสรุปความว่าการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะสประการคือไม่มีเราไม่มีบุคคลไม่มีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา และไม่มีเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นการรู้เห็นข้อแรกคือไม่มีเราเป็นหลักสําคัญในเรื่องนี้เพราะเมื่อรู้เห็นว่าไม่มีเราแล้วจึงสามารถรู้เห็นลักษณะต่อไปได้โดยง่ายว่าไม่มีบุคคลอื่นไม่มีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราและไม่มีเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะหกอย่างคล้อยตามคำภีมหานิเทศว่าจักสุว่างเปล่าจากหนึ่งความเป็นตนสงความเป็นของตนสามความเที่ยงสี่ความยั่งยืนห้าความคงทนหกความไม่แปรผันเป็นธรรมดาข้อความนี้หมายความว่า ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติระลึกรู้สภาวะเห็นในขณะเห็นบางขณะอาจเข้าใจว่าจาักสุประสาทตอันเป็นที่อาศัยของการเห็นว่างเปล่าจากความเป็นตนคือไม่ใช่ตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นของตนคือไม่ใช่ของตนว่างเปล่าจากความเที่ยงคือไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนไม่ตั้งอยู่ตามสภาพเดิม แม้การรับรู้ในขณะได้ยินเป็นต้นก็เช่นเดียวกับในทวารที่เหลือพร้อมทั้งอารมณ์วิญญาณผัสสะและเวทนาเป็นต้นไปจนถึงชรามรณะก็เช่นเดียวกันอันหนึ่งบททั้งสี่บทคืออนิจจ์ความเที่ยงทุวะความยั่งยืนสัตตะความคงทนและ อวิปปารินามธรรมะความไม่แปรผันเป็นธรรมดาเป็นคําไวัยพ์ที่มีความหมายเหมือนกันการรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ8อย่างคร้อยตามคำภีมหานิเทศว่ารูปไม่มีแก่นสารหาแก่นสารไม่ได้ปราศจากแก่นสาร 1. โดยแก่นสารคือสาระวัตเที่ยง สโดยแก่นสารคือสาระว่ายั่งยืน 3. โดยแก่นสารคือสาระว่าเป็นสุข 4. โดยแก่นสารคือสาระว่าเป็นอัตตา 5. โดยความเที่ยง 6. โดยความยั่งยืน 7. โดยความคงทน 8. โดยความไม่แปรผันเป็นธรรมดา การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ8ดอย่างของนามขันสทวารอารมณ์วิญญาณผัสสะเวทนาเป็นต้นไปจนถึงชารามรณะก็เป็นเช่นเดียวกันนี้อันหนึ่งบททั้ง6บทคืออนิจจสารคือแก่นสารคือสาระว่เที่ยงทุวาสารแก่นสารคือสาระว่ายั่งยืนนิจจความเที่ยง ทวาความยั่งยืนสัสตตความคงทนและอวิปรินามธรรมะความไม่แปรผันเป็นธรรมดาเป็นคำวัยพ์ที่มีความหมายเหมือนกัน